การฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของวิวิตย์จิตใจของเราให้ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเอาไว้แล้วก็เวลาปฏิบัติเมื่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็บอกว่ารู้แล้วการฟังกับการกระทํามันไ ป, ปพร้อมๆกันสิ่งที่เรา เห็นสิ่งที่เราลู้ก็เรียกว่าลู่เห็นสิ่งที่เราได้พบเห็นกับมือกับหูกับตาเราเรียกว่าพบเห็นพบเห็นสติลู่เห็นสติใช่สติมีสติเราก็สร้างสติเราก็สร้างได้ใช่ได้ทุกโอกาสทุกกรณีความรู้สึกตัวนีย ไม่มีอะไรที่จะใช่คล่องแพ้่วชําเนิ่นชํานาญเท่ากับการใช้สติไม่มีการไม่มีเวลาติดตัวติดต้อยห้อยตามเราอยู่ตลอดเราใช้อย่างอื่นยังเป็นขั้งเป็นข่าวการใช้สตินเนี่ยเป็นช่องเป็นทางตรงไหนที่มัน มืดก็เกิดแสงสว่างตรงไหนที่มันปิดมันก็เปิดตรงไหนที่มันหลงมันก็รู้สารพัดประโยชน์เราจึงต้องสร้างให้เมย์ทำให้มีทําให้เป็นได้ไรู้ได้เห็นได้พบเห็นสิ่งต่างๆาได้เห็นแล้วก็แล้วรู้แล้วเห็นแล้วเป็น อันยาอัญญาสิพบแล้วเห็นแล้วรู้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องงอกงามขึ้นมาดอกเรื่องกายเรื่องใจเราไม่มีแต่เรื่องเดียวเรื่องของกายก็ไม่เรื่องเดียวเรื่องของจิตก็ไม่เรื่องเดียวมันเรียนจบง่ายๆไม่จบจากเหมือนการศึกษาทางโลก ทางวิทยาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยไปเราใคร่ไขเก็บแล้วเน่ก็ไข่มาเรียเกิดขึ้นมาอีกแล้วหนักปวดเก่าอันตรายปวดเก่าแต่ว่ากายใจของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโูกโลกตามโลกโลกของโูกโูกหมดโลกของน้ำก็รูปหมดโูกของโลกโลกของโูก รู้ตั้งแต่วันปฏิบัติวันที่หนึ่งวันที่สองนนพอมีสติก็เห็นแล้วเห็นลูกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเรียกว่าโลกก็ได้โลกของนามโลกของลูกก็มีเยอะแยะหลายอย่างที่เรา หลงโลสุขโลทุกโคลโลกของลูกโลสุขโลทุกโคลโลกของนามบัด น, นี้มันเป็นปัญญามันเป็นการก้าวล่วงจากโลกหมดโลกลู่โลกอย่างแจ่มแจ้งพอมีสติก็เห็นกายกายมันก็เป็นลูกเมื่อมันเป็นลูกมันก็เป็นลูบทุกลูบโลกลูบสมมติ บัญญัติที่เกิดอยู่กับลูกมันเป็นช่องเป็นทางไปบัญญัติมันติดติดบัญญัติบัญญัติเรื่องลูกเรื่องกายว่ากูว่าตนเรไปหลงว่ากูว่าตนเรื่องโลกที่มันเกิดขึ้นกับลูกรักษาไม่หายแต่เห็นเป็นกายสักว่ากายเรยว่ารักษาโลกที่มันเกิดกับลูกหายไป กูเป็นสุขกูเป็นทุกข์กูร้อนกูหนาวกูหิวกูเก็บกูปวดกูสุขกูทุกข์กันเที่ยวกับโปรปหรือว่าคนในโลกดูดีๆโลกแบบนี้ไม่มีใครรักษาได้นอกจากสติสัมปชัญญะที่เราสร้างขึ้นมาพอเห็นกายเห็นเป็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เรียกว่า รักษาโลกหายไปแล้วโลกของกายหลืออะไรที่เป็นเรื่องของกายเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์แม้ ว, ว่ารักษาโลกมันหายไปโลกมันหายไปมันก็ลือ้ขอขนไปเรื่อยเรื่อยเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รักษาหายเวทนาที่มันสุขมันทุกข์ มันโลนมันหนาวมันหิวมันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเกิดจากเวทนาก็รักษาหายเวทนาสภกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนเราเขาเวทนามันติดอะไรมาติดเล่าติดบุลลีติดรูปติดรถติดดินติดเสียงติดโผล่สัมผัสติดอารมณ์มันติดเหมันกันลูกเนี่ยมันก็ติดต้งเคยติดอะไรเจะใช่ไม่เป็น มันติดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเข้าในเลือดในเส้นต่างๆเข่นบุหรี่มันเป็นนิโคตินนิโคตินมันเข้าในเลือดในเส้นในระบบประสาทมันหิวเวลามันหิวมันแห้งนิโคตินมันแห้งก็เลยหิวพอหิวก็นึกว่าเราอยากไปแท้มันนิโคตินไม่ใช่ตน นี่โคตินนี้มันแสดงออกมาทำให้เกิดการหิวแล้วก็แสดงถึงกิจใจแสดงถึงอารมณ์แสดงถึงความยึดมั่นถือมั่นแสดงถึงการกระทาแสดงถึงกรรมเป็นกิเลสเป็นวิบากเป็นโมงจรสืบไปเพราะสูบจึงติดพรติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดพรติดจึงอยากนะคนไปโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้น คนที่ไม่มีโรคเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากโรคมันหายอันนี้มันรักษาหายแล้วพ้นจากโรคเรื่องของกิจที่มันคิดที่มันคิดกิจที่มันคิดมันมีแต่คิดแะไะกิจเก่งโกเขาออกหน้าออกตาเป็นทวารของกิจเป็นการเคลื่อนไหวของกิจที่มันคิด ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจกันกับความคิดที่ตั้งใจดูดีๆจะดูไม่ดีจะดูไม่ออกมันอยู่ด้วยกันมันน้ำกับน้ำคุณความคุณมันก็อยู่ในน้ำความสกปรกมันก็อยู่ในน้ำความสะอาดมันก็อยู่ในน้ำแต่เราเอาน้ำที่สกปรกเราทำให้มันสะอาดแล้วมันก็ทำได้ มันก็ทำได้ความสะกะปรกก็แยกออกไปส่วนหนึ่งความสะอาดก็เกิดอยู่ในน้ำจิตที่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจต่อไปออกมาแต่ก่อนก็เป็นภาร ะ, ระต่อไปต่อมาเมื่อเราทำไปเราทำไปมัน เ, เกิดปัญญามันก็เกิดปัญญาสิ่งที่มันมีปัญหานั่นแหละมันก็เกิดปัญญาเมื่อเราศึกษามันเปลี่ยนพอมีสติรู้เห็น ตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวไปเห็นเงื่อนไขของรูปของนามของกายของจิตที่มันแสดงที่มันเป็นต่อการสืบต่อเป็นปัจจยยการต่างๆเป็นพบเป็นชาติเป็นวงจรของเขาพอเราเห็นเราก็รู้แจ้งเห็นจิตที่มันคิด กันชื่อว่าความคิดเนี่ยไม่มีปัญหารักษาโลกอะีรไ ด, ได้ถ้าบางคนไม่รู้ก็ความคิดก็ไม่ปัญหาต่อให้เกิดกิดเลสตัณหาความโลภโกรธหลงไปได้ความทุกข์ความรักความชังความอะไรต่างๆเกิดจากความคิดที่มันลักคิดสิ่งที่มันลักคิดมันเกิดจากความหลงสิ่งที่มันหลงเพราะไม่มีสติมันก็แค่นี้ เราจะไปตีโพยตีพายกับใครไปเอาสุขเอาทุกต้นปลายปลายเหตุไปหยุดปลายเหตุเหมือนเอาไม้ไปแย่หมาหมามันก็กัดปลายไม้ที่เราแย่มันไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนแย่มันเอาไม้เรานี่จับไม้ไปแย่มันหมาก็โกรธกัดปลายไม้โ่นมันมันไม่ได้มองเรามันมองปลายไม้ที่เราเอาไม้ไปแ yeah, ย่มันแล้วก็ไปเอาปลายเหตุเอาปลายเหตุ กดไปมีสติเหมือนหมาถูกไมแก้แย่ไม่รู้จักคนมีสติก็โอ้ที่มันหลงคิดไปเพราะไม่มีความรู้สึกตัวทำไมเราไม่มีความรู้สึกตัวเพราะเราไม่สร้างเราจะมาสร้างตรงนี้มาะนีพอมันหลงไปกลับมารู้สึกตัวพอมันหลงไปในความคิดกลับมารู้สึกตัวพอมันหลงไปในทา ง, ทางตาทางหูกลับมามีความรู้สึกตัวเพราะมันหลงไปในทางจิตกลับมารู้สึกตัวมันก็แค่นี้เอง ไม่ต้องไปเรียกร้องใครเอาปัญหาไปไว้ที่อื่นกลับมาโมมาดูตนมามองตนถ้าจะแก้ปัญหาก็มาสร้างสติไม่ได้ไปแก้เพราะรูปรวมคำคำไม่ได้ไปแก้เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับอย่างอื่นกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวมันสะดวกมันสะดวกบางทีปัญหามันก็มาในเวลามันเงียบเงียบ บางทีปัญหามันก็มาเวลาอุ่นวายปัญหามันเกิดในเวลาเงียบเงียบหยุดการหยุดงานเวลาหลับเวลานอนก็เอาปัญหามาคิดทำห้เป็นสุขทำห้เป็นทุกข์เวลานอนความสุขความทุกข์ในเวลานอนมันเล่นงานมันได้โอกาสเหมือนเชื้อโรคพอไม่โอกาสก็กบเลิกเวลาจะนอนก็หาเรื่องมาคิดไม่มีสติ ไหลไปกับความคิดไหลไปกับความคิดจนฝันจนกลายเป็นอารมณ์นอนไม่หลับก็คิดว่าตัวเองนอนไม่หลับการนอนไม่หลับไม่เป็นไรสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเพราะความคิดเข้าไปเกี่ยวข้องว่าตัวเรานอนไม่หลับก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายไปตัวคิดว่านอนไม่หลับมันก็เกิดปัญหาตามไปหลายอย่างในตกกองบน เศามองเกิดโครคไข้ไข้เก็บพอรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเวลาใดี่มันคิดไปนะเวลานอนเวลาใดที่มันคิดเทมันได้โอกาสสนุกเห็นชัดชัดเวลานอนเห็นมันระคิดเห็นชัดกว่าเวลาอื่นเวลาเราสร้างสติมันไม่เห็นชัดพอเราสู้เบือนตาอยู่เวลาเรานอนเราไม่เหมือนกับเราไม่ลือนตามันมารับรับลีลีมาแต่เห็น เห็นเวลาที่มันรับเล่ยเน่มันเห็นจังงมันจับคาหนังคาเขาอันตาต่อตาเนี่ยมันก็ยังไม่ลึกซึ้งแต่ถ้ามันเห็นเวลามันรับเนี่ยมันก็เราเห็นโจรเห็นขโมยที่มันจะมาเอาของเราเห็นกับหูกับตาจับคาหนังคาเขาน่ะมันลึกซึ้งกว่าเวลาเราไม่เจริญสติเวลาหลับเวลานอนมันคิดขึ้นมา แลรู้เนี่ยโอ้มันดีมากนะอาจจะได้บรรลุทำตอนนั่นก็ได้อย่าประบาทอย่าทำเล่นเล่นลนอนหรือตื่นขึ้นดึกดื่นตึกขึ้นดึกตื่นก็จะรูดตกไปคิดไปเลยรู้ัะหายใจเข้าหายใจออกเวลาตื่นหลับเตือนนอนใหม่ๆมันชัดเจนรู้สึกตัวแล้วความคิดมันจะออกหน้าออกตาพอตื่นขึ้นมาแล่นไปก่อน ก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนอนเล่นเล่นหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัว่ะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเวลานอนเน่ยิ่งดีใหญ่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งดีนะการเจริญสติเนี่ยเวลาที่ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็หลายเรื่องหลายราวหลายเรื่องหลายอยา่างแบ่งปัน ให้กับการกับงานให้กับผู้กับคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันจะสนุกการปฏิบัติธรรมจะได้เห็นชัดเจนอาการที่มันแสดงมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นการแสดงเนื้อกนือตรงนั้นแหละเนื้เกิดเือแฉ่เนื้อเจ็บเนื้อตายไปเรื่อยๆเหมือนขี่คอมันคนเขาวิ่ง เราขี่คอคนที่วิ่งความแก่มันวิ่งไปแล้วก็ขี่คอบนความแก่ความเก็บมันวิ่งไปแล้วก็ขี่คอบนความเก็บความตายมันวิ่งไปแล้วก็ขี่คอบนความตายไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรแต่ถ้าเราวิ่งไปกับเขาความแก่ก็วิ่งไปเราก็วิ่งไปกับเขาความเก็บมันวิ่งไปเราก็วิ่งไปกับเขาก็เหนื่อยความตายมันวิ่งไปเราก็ วิ่งไปกับเขามันก็เหนื่อยอวิธีเจริญสติมันเป็นวิธีที่อยู่กับความเกิดความแจ่ความเจ็บความตายที่จำนานกว่าอย่างอื่นํำนานอยู่ในธรรมชาติในอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับรูปถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติได้อารมณ์ของกรรมฐานเหมือนคนมีวิชาความรู้ไปทาอะไรวิชาเป็นช่างไฟฟ้า ก, ก็เล่นกับไฟฟ้า เราเป็นช่างอะไรก็เขาก็เล่นกับเรานั่นได้เราเป็นนายช่างเขาปลูกเลือนเราเป็นนายช่างลื่อเลือดมันง่ายกว่าปลูกไปปลูกมันยากแต่ลื่อเนี่ยมันง่ายง่ายกว่าพอเราลื่อเป็นมันหลงก็เลื่อออกเป็นความรู้แล้วแล้วมันโกรธก็รู้สึกตัวลื่อแล้วความโกรธลื่อออกแล้วความทุกข์ก็รู้สึกตัวความทุกข์ก็ลื่อออกแล้ว ความหลงรู้สึกตัวความหลงก็ลือกออกแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวลัดเนิ้วมือลัดเนิ้วมือนี่นะปฏิบัติธรรมอย่าเนิ่นช้าให้กระชับกระเขงสักหน่อยมันจึงจะทันการทันงานเหมือนไปถูกขาเราก็ปัดออกทันทียังไม่ได้ไหมไปถามใครใครทำไฟตกใสข่ขาเราทําไมจึงทํำตกใสข่ขาเรา เมื่อแต่ไปถามหาคนที่ทําไฟตกใส่ขามันก็ไม่หนังไม่ขาเราเป็นแผลทําไมรักษายากความโกรธความทุกข์ความเลอความชังมันจะไปติดเอากับกายาากับใจกายกับใจมันก็ติดเป็นนะมันจะรักษายากเพรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับรู้สึกตัวนะถ้าว่าปฏิบัติปฏิบัติเขาลืสึกตัวมันมีงานมีการอยู่ มันไม่หลงกับรู้เนี่ยมันหลงอะไรก็บรู้เนี่ยตัวรู้อันเดียวเป็นกุญแจดอกเอกเปิดเผยความหลงแบบไหนก็ได้ความรู้อย่างเดียวใช้ได้หมดความหลงในทางตาเอาความรู้สึกตัวอันเดียวเนี่ยความหลงในทางหูก็ารู้สึกตัวอย่างเดียวความหลงในทางจมูกลูบลดชินเสียงรู้สึกตัวอย่างเดียวนะเลื่อได้หมดเปิดได้หมดแก่ได้หมดเปลี่ยนได้หมดนี่การปฏิบัติทำมัน สร้างให้เกิดความสะดวกกับการใช้ชีวิตของเราเป็นการสะดวกชีวิตที่สะดวกผู้มีสติเป็นชีวิตที่สะดวกเหมือนกับเปิดทางไปทางไหนมันเปิดทางไม่ตันผู้มีสติเป็นผู้ที่พบทางที่ไม่มีตันในโลกเรื่องของกายของใจมีทางแต่คนไม่มีสติมืดมนในเรื่องของกายของกิจมืดมนไม่รู้จัก ทางออกคนโกรธคือคนไปพบทางขนหลงคือคนไม่พบทางขนทุกข์คือคนไม่พบทางเหีนี่ก็ยังหลงหลงในความหลงหลงในความทุกข์หลงในความโกรธเป็นเรื่องที่จะไม่หลงมากๆนะแต่คนส่วนมากก็เป็นหลงโอ้มันเป็นเรื่องที่จะ ก็ตื่นลุล่นจริงๆเห็นคนหลงเห็นคนโกรธอุ้ยแค่นี้เองอุ้ยแค่นี้เองมันก็แค่นี้เองจริงๆอไปหลงทําไมไปทุกข์ทำไมไม่มีใครทําให้ตนเองเขาก็ไปเรื่องของเขาแต่เราเอาเรื่องของเขามาหลงของเราเขาด่าเราไปเรื่องของเขาเราเอาคำด่าเขามาหลงเขาว่าก็เราเขาบอกกัเรา อ๋อหลงแค่เนี่ยมันไม่น่าจะหลงไม่น่าจะหลงไม่น่าจะหลงจริงๆไม่น่าจะทุกข์ไม่น่าจะโกรธความหลงความโกรธความทุกข์เล็กๆน้อยๆได้จะพูดแล้วนะเล็กน้อยจริงๆความหลงความโกรธความทุกข์เล็กน้อยไม่มีวิธีใดมีแต่ความรู้สึกตัวแค่นี้เองลัดเนี่ยมือเดียว่ะความรู้สึกตัวก็สามารถสร้างได้ความรู้สึกตัวก็สามารถสร้างได้แต่ถ้าเราไม่ มีวิธีที่จะรู้เรื่องความหลงของโกรธความทุกข์เนี่ยอะไรมันก็มีปัญหาทาให้หลงทุกนี้ไม่มีปัญหาอความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไม่หลงชีวิตมันก็หยุดหยุดแล้ววนไม่ไปไหนแล้วะความหลงคือการแล่นไปสิ้นเปืองพลังงานความโกรธคือการแล่นไปความทุกข์คือการแล่นไป ความไม่หลงความไม่ความไม่ท ก, ก็หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเราก็ได้อันในสองไม่มีการแบ่งชีวิตล้วนๆชีวิตพรหมจรรย์มันก็เห็นกับหน้ากับตาเห็นกับมือเรานี่แหละไม่ลับไม่รีที่ไหนเราความหลงเกิดขึ้นผ่านหน้าผ่านตาอยู่เรื่อยๆว่าแต่เรามีสติถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นนะ คนที่อยู่กับความหลงไม่เห็นความหลงคนที่อยู่กับความโกรธไม่เห็นความโกรธเ่คนที่อยู่กับความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์คนที่ดูคนที่มีสติไม่เห็นมันไม่ถูกต้องจริงๆนกไปเห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินนอนไม่เห็นครูดเขาก็อยู่อย่างนั้นได้ปลาก็อยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนอนอยู่ในครูดก็ไม่เห็นครูดเขาก็อยู่ได้ไส้เดือนอยู่ในดิน เราก็อยู่ในดินดเราไม่ต้องเป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาพัฒนาชีวิตของเราไม่ต้องไปอยู่กับลักษณะแบบนั้นอยู่อิสระภาพอิสระภาพของชีวิตคือมีสติสติเป็นการไถ่ถอนเป็นการปลดปล่อยไถ่ชีวิตเราออกมาสู่ความปกติถ้าหลงเรก็ถูกควบคุมจองจำมัดมือชก มันก็พูดปวดคนก่อนผมโกรธมัดมือชกคนไม่มีสติความหลงเขาก็มัดมือชกความทุกข์เขาก็มัดมือชกเก็บปวดถูกเขาทุกครั้งถูกทุกหมัดที่เขาต่อยมาเจ็บปวดนะถ้ารู้สึกตัวเนี่ยโอ้ยเขาชกคนเดียวไม่ถูกรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความว่างจาก อาการต่างๆว่างจากความโลภโลภว่างจากความรักว่างจากทุกอย่างคำว่าว่างจากโลกออกตีมาอยู่ความว่างออกมาจากโลกโลกแห่งความหลงโลกแห่งความทุกข์ออกมาอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรที่จะแสดงไม่มีเวทีที่ให้เขาแสดงเพราะกายสภาวะกายแล้ว เป็น ก, กายสักว่ากายกายไม่ใช่เอาเป็นสุขไม่ใช่เอาเป็นทุกข์เป็นปัญญาแล้วเวทนาก็เห็นแล้วไม่มีที่แสดงให้แต่ก่อนเขาแสดงอยู่บนเวทนาความหลงความทุกข์ความรอบความช่องความสุขเขาแสดงอยู่บนเวทีของเวทนาโลกเขาแสดงอยู่เป็นเวทีของโลกกายก็ดีเวทนา็ดีจิตก็ดีธรรมก็ ด, กดีเป็นเวทีของโลกที่เขาแสดงวันนี้เราเห็นแล้ว ไม่มีแล้วว่างแล้วเวทนาในชีวิตจิตใจเราว่วางแล้วไม่มีที่ให้ใครแสดงได้พี่เป็นสุขเป็นทุกข์นี่ศึกษาธรรมะต้องไปแบบนี้นะไม่ใช่จะไปอวดไปอ้างใครไม่มีสิ่งที่อวดที่อ้างไม่มีอะไรถ้าไปอ้างอ่ะฉันเป็นกรรมฐานนะฉันเป็นพระทุดงฉันเป็นพระนักปฏิบัติฉันโลดทำนู่นโลดทำนี่ไม่มีปิดปาก ถ้าจะพูดกับตัวเองเป็นการปิดปากคำว่ากูรักกูชังในี่ปิดแล้วกูสุขกูทุกข์นี่ปิดปากแล้วเป็นการปิดปากพูดไม่เป็นจะมีแต่การบอกการสอนกันแบบนั้นเหมนะือนกับอาจารย์ถามลูกศิษย์คุณมาอยู่กับเราคนรู้อะไรลูกศิษย์คนหนึ่งยืนขึ้นปิดปากถามลูกศิษย์เด็กหลายคนคนมาอยู่กับเราคนรู้อะไรู้จากรู้รู้จากตามรู้จากทุกข์ อ่านั่งลงอาจารย์บอกนั่งลงคนที่สุดคนที่ลุกขึ้นปิดปากเป็นคนที่ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆชีวิตนะนะเนาะพ่อจ๋าเนาะรู้นะไหมรู้เข้าใจไหมเข้าใจก็ต้องฟังแบบนี้ไปก่อนเอกรักหน่อยจะไปเจอชนปั๊วเข้าไปโอ้ปโรโตโอ้ปฏิบัติธรรม วิปัสนากราฐานถึงบางอ้อโอ้อออะมันหลงมันสุขก็มันทุกข์ก็เอออะไรมันเป็นตัวเฉลยเห็นช oui> ัดชัดนะ